บุ๊กทูแปดสิบคำคุณศัพท์สาม เ, เธอมีสุนัขหนึ่งตัว ส, สุนัขตัวใหญ่ เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวมาเวเิร์กเฮบซาเธอมีบ้านหนึ่งหลังมาดมบ้านหลังเล็กเต็นดอมเย ม, มาลีเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลังมามาลีดมเขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง โรงแรมโรงแรมราคาถูก้เป็นโรงาถูกเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกบีบีวานมราถูกเขามีรถหนึ่งคัน ma อัตรถราคาแพงรถอัต้าแพง เขามีรถราคาแพงหนึ่งคันมาดร้าเฮอัโตเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องชีตาโรมมนนิยายน่าเบื่อเตนโรแมนินูดนีเขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่องชีตานุดนีโรมมน เธอดูหนังหนึ่งเรื่องหนังน่าตื่นเต้น Ten film เธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่องคกรุณาไปที่ www. b o o k t o de